sí panua won Nóng chí của miếng chuyển Vì mò nuôi lạ sinh thần. Hãy vò cao không chỉ lắm, Công tệ thèn vô Xám lắp tuần qua nằm, bỏ mãi hoan, phu sai lấy lò phi ơi! Xác hoài trà to, cua lố, tre phú đèo lòi đàm. Thế si ám cơn ai, tròn hoài chi ngành hái, qua bên trà, diệt hà con. Si mi men ที่บ้านหากจักมีบ่ได้อ้ายบ่ไปใสสิพร้อมสูงสิไปสูงสิคอแก่อย่างเตือนต้นลง ได้แม้มาก็บ่สั่นหยอกกันแม้กว้าง ว่าเป็นพ่อฝ่าเจ้า ปางเข้าป่าข้าพ่องสิฮ้องหมู่โซเจ้า aki chip pa mo ne tun yo พี่นางโอมงงงงโอมโอมแต่งแต่งงาน ปางมะกองเม็งห่างแว่นสังเกตติดอ้อยเอ้ยโนอ้อยสังเป็นแซ่มะกอ วาศนาบางบางอีกกับดวงคิดกุ่นโสรงทุนอย่าขาบใกล้ซื้อมาขังสุมไว้กะเลยต้องผ่าตายนี่ละน่อเพิ่นว่าล่อยป่าไปบ่าบิงเตื้องของแค่ใหม่ให้กะคงเป็นให้เหือนกะคงเป็นเหือนอันติให้กะพื้น M'n cây cành phà nóng hấn of come never face wouldn't pay นั่งเจร้ามะนะสิคงเพียงว่าอย่างโอ้ยอันตา ที่ฟังแล้วประทึงโอ้เอซุมกว่ากวน i llay-toa-con-lui. Pèn túm-chàn, sús-tàm-li-hèm. Ui, cuộn-te-un-tràm-thén. Vi-vắn-te-toa-a-a-a-ai-vò-mai-ma-hàn. Thò mi a thà là mi แบบการนะแย่นทีปามันหัวควรชิตจับสวนพนังเค้งหลินหักเค้งสำลัมมัยตัดสินใจต้องจ่าห้างข้างกะไทยโบยายเซวร เสลาฝาเนี่ยอ้ายอีกเข้ากลางโอ้ยฮิดนอก บัดตัวยามเปิดการอีติพาน้องนั่นออกหน้าโอ้ยจังสิ อ้ายได้ฟังเป็นเดือนอย่าข้าอยู่จนเหลือตาแต่ อันนี้ก็ได้เอ้ยสงสัยหม่องไหน เฮ้ยตรินทมนาแล้วอีกไป Kos te medical Todos weigh in about ของเหมือนนันละอัวเช่นี้ละอัวเจ้ยตรงนี้ละ ถ้าจะพงสายมันเป็นบาคตัวจะมะสั่งบาค์แสะนั่นตลีละกรรมเทะพิศากาพพี่ไวหรือพิศาวัยก็เพิ่งเจาบอร์ไทตกล้องแสงงานกับพันยาล่างจะอัวโอ๊ยเป็นปริ่นเศรษขี้มิ่งงาดล่างโอ้ว Horse of his side, the ladyрод kerrer เมื่อแม้วแ็ง hoeапกข้างใหญans prove รู้ปัดกว่าใจ 시� Brah ним่ว ์นายังว่าอ่ววววววววว with lully ข้าวขือจิตใส่แล้วอ่ววววว แม่นิสิเท่าดีปานใดอัวก็เอาไปแล้วก็ บักครูอีตัวสูสิมาคุยกันๆบ่มีมื้อได้หอมเหงียง <s uccess> <s uccess> รียงอกคําเขานําว่าืินหีดลื่นประเทนี้เราาแม่มันบอกส่วนอืรื่นประเทศนี้รสอย่างในวักนาหูอย่างทํามันเป็นกลืนข้อมันลว่าพุญะ แก่งบ่แก่งก็ไปโลดแต่มึงมามันก็ยังเห็นทางมาบัดมึงเมืองมันทางแล้วมันก็มืดผมไปบ่ได้ผมนานอีหยังนะ ja e การเป็นเสือต่างการดอกพนมการตาย theory ok em. of pronounce, law of court is not เออนามแหมวันนี้ดอกก่อนนี่ <S an> บอกว่าว่าเจ้านั่นได้เบิ่งบ้านดอกกงกากเหล็กปลาตากดอกแทงงัวบ่ <seeks competitions> ตัวนั้นวางดอกเปียพวกเขาวางดอกทองคําตัวนั้นนําดอกเปียมหูพวกเฮาก็ตันเจ้าตัวนั้นทุนตากะพวกพล้าไปบังหญ้าพวกเฮาเนินเลิศป่า น้ำโตและโตล้างและตุ่มและตู้ลนแม่ยอมดับดอกฟ้า โอ้ยขึ้นสื่อว่าดอกแมงไก่เสียง <tries> <tries> โอ้โคยโอ้โคยนั่นน้อนะไปไปไปครูเอ้ยเฮ็ดป้าไปให้ป้าไปคั่นแม่เว้านั้นดีป้าตายเดี๋ยวนี้กําลังให้สมบัติผู้ดีอยู่จากใหม่ก็สิให้สมบัติตัวซั่วไปจะลงทางเหนือซั่นเด้ <tries> บรรเลงนเสียงป่าฮ้องว่า ฝาดลงมาให้ตายว้าโอไปๆก็มา โลกกระซุนพัดมาดันฝากไปลําเผอที่บ้าน Mưa ngủ lèo chẳng si, chắc si chi si, si, phải ก็ย่อนโตมาดีแล้วที่เข้าสิพลิฟ์ผ่านหัวจัดกว่าจริงเสียแม่นั่นต่างให้ออกหวามกับคุณล้างผมพูดทางคุณโอ้กก็เรายิ่มดีโดยนี่ยิ่มดีแหละป่าเอ้ยน้อง ตํากั๊บกวายดอกปีอีนาวละจําไปกลับไปบอกแม่ตัวว่าอย่าสิสิอย่างไหนเออเสบ <cười> ยิ้มแม้นแน่นหน๋าเอาหลอดน้อหลอด i llam-com-la-com-mak-nen. M'é ho va bò do dom llóm pèn ma la cú lu boc cú quam càp năn gu hà hoa cham tua no Qua chàm ngau chàm cà i tam fòi pa cà ien. Fài, fài, fài, fúi, tui pa hòn mà hài, mè d'y aquí, mè d'y aquí, fài, fài, fài. Bà quen phiền vua tén, pà tha nà, al vó đây, bấm tốt, tèm, tăng tè บ้านป่าเด่นขอเอิ้นสั่งคำลาอ้วนเจ้าเพิ่น <c oughs> ศึกเนี่ยต้นตะลานคำสิลายเจตโสมโสมคอ จังไปป้อพบกันตะวันฟ้าสิเคยคู่โอ๋ๆๆตุย เอาตังกินป่าขาวกลางทั้งสองทางโลกสองฝ่าย เอ้ออ่างออโอ๋อืมเอ้ออ่างอั้นนอว่าเอ้ยสิพะลากันได้ยังมีน้ำหัวน้ำตานําพี่ สัสามาเกี้ยงแม่สุกเลี้ยงเออๆปานนั้นก็ยังแพงไว้ดอกท่าขายป้อกินมัน